ไปถึงที่ไหนก็ชนะเขาชนะเ้าชนะเขาเพราะฉะนั้นในที่สุดก็เลยหาคู่ต่อสู้ได้ยากเีะคลั้นผ่านการไปจนกระทั่งเป็นผู้รู้เดียงสาดีแล้วก็พูดไงว่าคราวนี้ก็โตแล้วนะอยู่ในช่วงปฐมมวัยปฐมวัยเนี่ยหมายถึงเขาหมายถึงอายุตั้งแต่หนึ่งขวบถึงสามสิบสามขวบเออคือคือคือของโบราณเนี่ยเขาแบ่งเป็นสามช่วง เขเรียกว่าปัมวัยปัจจิมาวัยแล้วก็มัชชิมวัยแล้วก็ปัจจิมาวัยเนีเป็นสามช่วงของชีวิตคือสูงที่สุดเต็มเท่าไหร่เต็มร้อยทีเขเขาคิดว่าคนเราเนี่ยอายุร้อยปีไงสมัยก่อนเนี่ยกับหนึ่งเนี่ยเขถือว่าอายุร้อยปีแต่เดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่ละปัจจุบันนี้ 60-70 ก็เดซมอร์เรตายแลนะเดี๋ยวเนี้ส่วนใหญ่อ่ะนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาประมาณเนี้ยนะประมาณว่า100ปีวันเนี่ยช่วงปฐมวัยนี่เขาแบ่งเนี่ยสาปีเนี่ ย, ยหอายุ1ปีจนถึง33ปีอ่าพอตอนนี้โตแล้วเนี่ยรู้เดียงสาละ ว, วันหนึ่งณนครราชคกุลของ แมคตอันมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งเต็มไปด้วยขนาจารย์เจ้ารัติต่างๆวันนั้นวังคีสะได้พบเข้ากับภาษารีบุตรเถระยังไม่ทันเจอผู้เจ้านะเจอภาษารีบุตรก่อนท่านถือบาตรเดินอย่างสำรวมดีตาไม่ลอกแหลกและดูเพียงชั่วแอกเข้าใจคาว่าสมณะเนี่ยผู้เจ้าท่านจะสอนเอาไว้เลย ว่าเวลาเดินบินธบาตเนี่ยนั่นต้องเดินให้สำรวมตาไม่หลอกแหลกไม่ใช่มองโยมจะใส่หรือเปล่าอาหารอร่อยหรือเปล่าอะไรไ ม, ไม่ใช่เที่ยวมองไงมองไงนี่ยิ่งเดี๋ยวนี้มีอะไรให้มองเยอะเลยนะซ้ายขวาหน้าหลังเออแต่ไม่ได้นะต้องพยายามตาต้องสำรวมกายต้องสำรวมเดินบินธบาตไปแล้วก็มองมองระยะชั่วแอกหมายถึงประมาณ ประมาณนะระยะชั่วแอกเนี่ยเขาหมายถึงว่าว่าว่าจากจากสมมติว่าคนนั่งเกวียนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็คุมเกวียนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เขาก็มองไปข้างหน้าเนี่ยจากคนนั่งเกวียนไปเนี่ยนะชั่วแอกแอกแไอ้ที่ ท, ที่ไอ้นันคอใสคอวัวคอควายอะไรพวกเนี้ยนะโดยรวมๆเนี่ยเขาจะคิดประมาณ2สเมตร สายตาเนี่ยมองไปในระยะสามเมตรสา3เมตรเยอะที่ไหนเราถอยก็นั่นนะทีก็สายตาเนี่มยมันถึงต้องมองต่ำสามเมตรไม่ใช่มองตรงๆอย่างนี้แล้วก็สาเมตรนะมองตรงๆมันจะไปสามเมตรได้ไงละ่ะเพราะฉะนั้นสายตาเนี่ยกดลงแค่ระยะสาเมตรนี่คุณคิดว่าจะมองได้สูงแค่ไหนอ่ะไม่สูงอะไรมากถูกไ้ยล่ะ หมายถึงว่ามุมมองของสายตานี่นะหน้าอาจจะหน้าอาจจะตรงๆก็ได้แต่ส่วนใหญ่จ ะ, จะก้มนิดๆ น, นะแต่หน้าตรงก็ไม่ว่ากันแต่สายตานเนี่ยหมายถึงสายตากดลงเนี่ยมองแค่ระยะชั่วสามเมตรเท่านั้นเองอย่าให้อย่าให้ไกลเกินกว่า น, นั้นเพราะจะดูแล้วมันมันจะไม่สํารวมอะไรที่ทาให้ไม่สํารวมอะไรเยอะแยะขนมข้าต้มบง หนะ้าพูดคนบังยิ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหรถ ล, ลาอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมเพราะนั้นมันมีแต่จะทําให้หลอกแหลกได้ง่ายว่าเ น, นี่ยผู้เจ้าท่านก็สอนไว้ว่าให้มองระยะชั่วชั่วแอกหนะ้าพูดแต่พอประมาณบินทบาดนี่ให้พูดพอประมาณนะไม่ใช่ไปยืนเทศ <c oughs> <c oughs> เขาใส่บาสเก็ยืนเทศกับเขาเ อ, อให้พูดแก้พอประมาณ แล้วก็เที่ยวบินธบาตอยู่ด้วยอาการอันหน้าเรื่มใสอันนี้หมายถึงภาษาลีบุตรวังคีสาเห็นแล้วเป็นที่อัศจรรย์ใจตนยิ่งนักถึงกับกล่าวชมเชยภาษาลีบุตรเถระด้วยถ้อยคำอันวิจิตเป็นอันมากแต่พระเถระได้บอกแก่เขาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราต่างหากที่ควรได้รับการชมเชยนั้นเป็นยังไงแค่คาพูดเนี้ย ของภาษาลีบุตแค่คำตอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างทำให้เรารู้สึกอะไรได้บ้างสมมุติว่าเราเป็นพระบางกี้ยังไม่เป็นพระเราเป็นบางกีสาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราไปพบพระรูปหนึ่งที่โอ้โหเดินด้วยอาการสำรวมดีเลยเราโอ้โหเกิดความเคารพเลื่อนใสอัตมาไม่รู้นะว่าพวกคุณเคยเจอบ้างหรือเปล่านะโอ้โหแต่อัตมาเคยเจอที่เคยเจอนี่ไม่ใช่พระอโศกด้วย เคยเจอแล้วแต่จะมาเป็นคารวะอยู่ยังไม่ยังไม่มาวัดแล้วยังยังไม่ไม่ไ ม, ไม่คิดว่ายังไม่เคยเห็นพระอาโศกบินทบาตสักเท่าไหร่ด้วยยังยังยังไม่นานได้ได้เห็นบ้างแล้วแหะแต่ว่าแต่ว่าท่านเดินเป็นหมู่งของพระอาโศกอะ่ะแต่พอดีบังเอิญนี่จะมาไปพบท่านนี่เดินรูปเดียวแล้หลังมารู้ว่าท่านชื่อหลวงพี่สงบ ที่สงบโอ้อัตมาเดินตามไปเลยว่าท่านอยู่วัดไหนโอ้เห็นแล้วมันประทับใจทันทีเลยนะไม่รู้เป็นไงอะ่ะแปลกจริงๆเลยเห็นแล้วโอ้โหประทับใจจริงๆท่านเดินถ้าเดีเด๋ยวนี้ต้องถ้าใช้สำนวนเดี๋ยวนี้บอกโอ้โหมาดเทมากเลย <laughs> ใช้สำนวนเดี๋ยวนี้นะอืไม่รอไม่ได้รอไม่ได้รอก็หน้าตาธรรมดาเนี่ยแหละ แต่โอโหเดินอาการดีมากเลยสงบสํารวมแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยเนี่ยพระวังกีสานี่ไม่ไม่ใช่พระตอนนี้ยังไม่ใช่พระวังกีสานะก็มาพบพระสาลีบุตเสร็จโอโหประทับใจมากยกย่องชมเชยใหญ่เลยแต่ตมาเนี่ยตอนนั้นนะ่ะพบพระรูปนั้น น, นนะไม่ได้พูดไม่ได้ถามไม่ได้อะไรนะแต่ว่าวิ่งตามไปดูก่อนว่าท่านอยู่วัดไหน พอรู้ว่าอยู่วัดไหนเสร็จแต่หลังก็ถามว่าท่านท่านบินทบาททางไหนอะไรยังไงแล้วก็ใส่บาตรแล้วต่หลังถึงได้คุยได้คุยบ้างได้ถามท่านดูบ้างใจก็แปลกนะก็ไม่ได้ไปไปแบบเหมือนกับไปคบคุ้นแบบอะไรท่านนะก็ไม่นะแต่รู้สึกประทับใจการเดินบินทบาทของท่านเพราะฉะอัตมาไม่แปลกใจเลยถ้าถ้าวังทีสะเนี่ย พอภาษาลีบุตรที่โอ้โหเดินได้อย่างสํารวมหน้าเรื่มใสเนี่ยแล้วจะเกิดความรู้สึกที่ประทับใจเราถึงโอ้โหยกย่องสรรเสริญภาษาลีบุตรใหเลยแต่คําตอบของภาษารีบุตรที่อาตมาพูดเนี่ยว่าโอ้โหยอดมากคือแทนที่ภาษาลีบุตรเนี่ยจะบอกว่าจะพูดเป็นอะไรอย่างอื่นเนี่ยแต่กลับพูดว่าถ้าจะยกย่องเราเนี่ยนะยกย่องพรธเจ้าดีกว่า หมายความว่าอะไรทั้งถมตนด้วยนะเออภาษาญี่ปุ่นเนี่ยทั้งถมตนด้วยถมไม่ใช่ทอมแบบอะไรอะ่ะบางคนถมตนนี่ถมแบบโกหกไม่ไม่เป็นความจริงอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่เรียกว่าทนถ่อมตนแบบมีศิลปะคนถมตนแบบสมมุติว่าจริงๆแล้วเราทําได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคนมาชมเราเสร็จเราบอกโอ้ยไม่เห็นจะดีเลย แต่จริงๆนะเราชอบอยู่นะเแต่เรากลับบอกว่าโอยไม่ไม่เก่งอะไรไม่ไม่ได้ทำดีอะไรหรอกแต่จริงๆเราก็ว่าเราทำดีะนะแต่จะถ่อมตัวไงเอก็เลยพูดแต่พูดอย่างงี้เนี่ยโกหกพูกลักษณะนี้ไม่มีศิละปะอา่าแล้วก็ผิดศีลด้วยนะจะเอาเอากันจริงๆกับผิดศีลด้วยอืมก็เท่ากับว่าผิดศีนข้อสี่ละแต่การถ่อมตนของ ของภาษารีบุูดนี่ได้ทั้งเรียกว่าไม่ได้ว่าตัวเองไม่น่าเคาเรพเลื่อมใสนะยนะแต่ว่าถ้าจะเคารพเรื่องสายเราเนี่ยนะเคารพเรื่องสายพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งพูดง่ายว่ายิ่งกว่าด้วยนั่นะแล้วก็พูดง่ายว่าเป็นคําตอบที่ให้รู้เลยว่าที่ที่ที่คุณเห็นเนี่ยนะแน่กันี่มีอีกนะเนี่ยโอ้อาจารย์อาจารย์ฉันอาจารย์ฉันนั่นเองออืือ นะถึงบอกว่าคนที่มีไหวพริบปฏิพานเนี่ยพอได้ฟังเท่านี้นจะโอ้โหคำตอบนี่นะจะทันทีเลยถ้าคนฉลาดเนี่ยฟังปั๊บเขาจะรู้ทันทีเลยว่าในคำตอบเนี่ยมีอะไรมากมายเลยที่ให้รู้นะแล้วก็อ้าวพอพอพระพระเถระพระศารีบุตรเนี่ยนะตอบอย่างนี้ไปปับ๊บ แล้วพระเถระผู้เป็นนักปราดยอดฉลาดภาษาลิบุต่ถือว่ายอดฉลาดแล้วนะอืมก็ได้สนทนาเป็นอย่างดีกับวังคีสะให้ยินดีด้วยปฏิพานอันวิจิตไม่ต้องพูดมากเลยคนเก่งคนมีศิลปะในการพูดเนี่ยพูดน้อยแต่ได้ผลมากไม่เหมือนบางคนพูดมากได้ผลน้อยพูดน้ำท่วมทุ่งนะผักบุ้งหลงเหลง อันนี้ก็พูดแล้วก็ใช้ไหวพิปฏิพานเนี่ยพูดแล้วคนฉลาดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรมากอยู่แล้วใช่ไหมฟังนิดหน่อยก็เข้าใจแล้วเนี่ยใช้ปฏิพานผู้อยาฟังแล้วก็ใช้ถ้อยคําอันประกอบไปด้วยวิราคะวิราคะนี่ก็คือหมายถึงว่าพูดสัจจะพูดความเป็นจริงพูดธรรมะที่ที่เป็นการลดกิเลสเออเป็นการลดกิเลสวิราคะเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการ เชียเห็นกินเลสเพื่อที่จะลดละ ก, กิเลสลงไปที่หาฟังได้ยากทำให้วังคีสะเบิกบานในธรรมบังเกิดความศรัท ธ, ธาแรงกล้าถึงกับซบศีรษะลงแทบเท้าของท่านแล้วขอว่าได้โปรดบรประชาให้กับผมด้วยเถิดขอบวชเลยอ่ะโอโ้โหดูที่ภาษาลีบุตรยอดแค่ไหนในการพูดแล้วมันต้องประกอบด้วยสองอย่างใช่ไหม ผู้ฟังต้องยอดด้วยใช่ไหมฟังไม่กี่คําก็โอ้โหเข้าใจทันทีเลยนะเหมือนเหมือนพระสาริบุตรเจอพระอาศาัศจริบมั้งกันนะพระอัศจรินี่จริงๆพูดไม่เก่งนะพระอัศจริพูดนิดหน่อยเองเพราะท่านพูดไม่เก่งอันนั้นอันนั้นที่พูดนิดหน่อยเพราะพูดไม่เก่งเออพอพูดแบบพระภาษาสายริบุตรฟังว่าโอ้โหภาษาสายริบุตรก็เข้าใจได้เหมือนกัน นะพอพระวังคีสะสศีรษะลงแทบเท้าของภาษาลีบุตรแล้วก็ขอบันประชานะเมื่อเป็นดังนี้ภาษาลีบุตรเถระจึงพาวังคีสะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคโดมในวันนั้นคือแทนที่ภาษาลิบุตรเนี่ยจะบวชให้กับพระวังคีสะเองก็ปรากฏว่าไม่บวชให้นาะยัง ต้องพาพาวังคีสะยังไม่จะเป็นพระพาวังคีสะเนี่ยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะพอได้เข้าเฝ้าแล้ววังคีสะซพศีรษะลงที่พระบาทของพระศาสดาแล้วนั่งลงในที่ใกล้นั้นพระพุทธองค์เห็นวังคีสะแล้วทรงสนทนาด้วยคือวังคีสะเป็นคนมีชื่อเสียงลนะไม่ใช่ กระจกนะถ้ากระจอกก็คงจะเป็นกระจอกเทศแล้วนะไม่ใช่นกกระจอกตัวเล็กๆธรรมดาเพราะว่าสามารถที่จะโต้วาทะกับใครต่างๆนานาเรียนรู้พระเวทต่างๆเนี่ยได้ตั้งอายุ7ขวบสามารถที่จะตอบโต้กับใครต่อใครแล้วก็เนี่ยเดินทางไปเรื่อยเดินทางไปเรื่อยเ ม, อเมืองนู่นเมืองนี้ชนบทนั้นชนบทนี้จนสามารถที่จะ ปราบนะปราบโคตรเก่งๆที่นั่นที่นี่ได้ <c oughs> ก็เลยปรากฏว่าก็มีชื่อเสียงนะพระพุทธเจ้าก็คงพอจะได้ยินชื่อเสียงมาบ้างอันนี้พอคุยกับพระพุทธเจ้าคุยกับวังคีศะแล้วใช่ไหมก็ตรัสถามว่าดูก่อนวังคีศะได้ฟังมาว่าท่านสามารถเก่งกล้ารู้วิชา มากมายแม้เพียงได้เคาะศีรษะของคนที่ตายไปแล้วก็รู้ว่าตายแล้วจะไปสู่สุขติหรือทุคติจริงหรือไม่เอาลนะตอนนี้อิทิศัพท์ผู้เจ้ า, เาได้ยินมาวันเนี้ยวังกีสะมีวิชาความเก่งอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าจริงไหมวังกีสะก็ทูลรับรองความจริงเช่นนี้ของตน ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์รู้มนชื่อฉะวะศะีสะอันนี้เป็นชื่อชื่อวิชาเนี่ยชื่อมนอันนี้เพียงใช้เล็บมือเคาะศีสะแม่ของคนที่ตายไปแล้วสามปีคือไม่ต้องเพิ่งตายคือถ้าตายไปภายในสามปีเนี่ยอย่าอย่าให้เกินนี้อย่าภายในสามปีเนี่ยเอามาเลยถ้าเหลือแต่กะโหลกก็เอา เอากะโหลกมานะถ้าถ้าเคาะศีรษะแล้วเนี่ยก็จะรู้ได้ถึงที่ที่เขาไปเกิด น, นั่นเป็นวิชาพิเศษที่ข้าพระองค์มีจริงนะเรียกว่าไม่ต้องอะไรอ่ะไม่ต้องถ่อมตนไม่ต้องอะไรอิดเอื้อนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นน่ะผู้จ้าถามก็ตอบตามจริงเลยบอกว่านี่ความสามารถมีได้ถึงขนาดนี้ พระศาสดาทรงฟังคำตอบแล้วจึงให้นำกะโหลกศีรษะมาสามอันไม่รู้กะโหลกเขาจะเรียกอะไรเรียกอันเลยหรือเรียกสามกะโหลกไม่รู้นะเรียกอันไปก่อนแล้วกันก็เอามาให้ให้วังคีศะบอกที่ไปที่มาของเจ้าของศีรษะเหล่านั้นคือคือเอาศีรษะคนที่ตายแล้วเนี่ยเอามาให้วังคีศะเคาะกระโหลกดูเพื่อ วิชาเนี่ยสามารถจะรู้ว่าตายแล้วไปที่ไหนไปเกิดที่ไหนไม่ใช่ที่มาตน่้นแต่รู้ว่าที่ไปเนี่ยจะไปไหนวังคีสะข้ อ, อกระโหลกศีสระแรกแล้วกราบทูลอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นศีรษะของคนที่ไปเกิดในนรกพระเจ้าค่ะตอบเลยเพอเคาะาศีรษะอันแรกนะบอกว่าเนี่ยคนเนี่ยไม่รู้ล่ะศีรษะใครก็แล้วแต่และแต่ตายไปแล้วเนี่ย ไปเกิดหมายถึงว่ า, าพ้นจากพ้นจากชาตินี้ไม่รู้ จ, จะไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่สำหรับกระโหลกศรีรษะของคนคนนี้ได้ไปนรกไปนรกนี่หมายความว่าคืออาจจะไปเป็นอะไรบ้างไปเป็นสัตว์นรกก็ตามคือไปเป็นสัตว์นรกก็ตามยังไม่ผุดไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอะไรก็แล้วแต่ หรือในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าแสดงว่าคนที่ตายคนนี้จะต้องเป็นคนที่ในชาติในชาติที่ที่มีชีวิตอยู่นะแสดงว่าอยู่ในอบายคือคนเราเนี่ยจะตกนรกไม่ใช่ไม่ใช่ตายแล้วไปตกนรกคือมามีนรกตั้งแต่ตอนเป็นเป็นแล้วคือไปสะสมนรกไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเป็นเพรา ะ, ะนั้นตายแล้วถึงไปนรกไม่ใช่ว่า สะสมสวรรค์เอาไว้แล้วตายแล้วก็ไปนรกไม่ใช่แต่มีเป็นไปไดเ้เคยเอาพระสูตรมาให้พวกเราฟังว่ามีเป็นไปได้ถ้าวิบากกรรมที่สั่งสมในอดีตเนี่ยมีความเป็นนรกอยู่ด้วยแล้วชาติหน้าที่จะเกิดเนี่ยปรากฏว่าวิบากนั้นมาถึงเพราะนั้นแทนที่ชาตินี้สะสมสวรรค์ไว้ นะ่าหมายถึงว่าความดีงานต่างๆเนี่ยสะสมจิตใจที่ดีเอาไว้เนี่ยแต่พอตายแล้วไปได้นรกก็ได้ถ้าบิบากที่สะสมไว้ชาตินน้ น, น, นชาติก่อนก่อนหน้านี้แล้วเออมันมาถึงแล้วก็ต้องรับวิบากเนี่ยนีไม่พ้นเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่อันนั้นก็เรียกว่าเรียกว่ายากนะไม่ไม่มีนักหรอกแต่เป็นไปได้อยู่ แต่ถ้าโดยทั่วๆไปแล้วถ้าเราสะสมเอนรกไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเป็นในชาตินี้ตายไปแล้วนี่นรกแน่นอนไม่มีเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้เลยยกเว้นเหมือนกันคันนี้ก็ <c oughs> ยกเว้นแทนที่สะสมนรกในชาตินี้พอชาติหน้าแทนที่จะได้นรกได้สวรรค์ก็ได้ อ่อันนี้ผู้เจ้าตัดเลยบอกว่าได้สวรรค์ก็ได้เพราะอะไรเพราะคนนี้เขาไม่ได้เลวมาตลอดเขาไม่ได้เลวมาทุกชาติเนี่ยอชาติกนก่อนโ น, นมีเหมือนกันบางทีที่เขาทําบุญทํากุศลเอาไว้นะพอถึงเวลาที่บุญเนี้ยมาสนองพอดีจะเกิดชาติหน้าเนี่ยบุญมาสนองทําให้เขาได้สวรรค์ก็คือได้ความสุขสบายก็ได้ แทนที่จะได้นรกนรกก็คือความเร่าร้อนคำว่าสัตว์นรกเนี่ยหมายถึงโอ้โหเกิดมาแล้วจะไปเป็นคนก็ตามไปเป็นสัตว์ก็ตามไปเป็นเ ด, เดรัจฉานน่ะก็ตามก็ต้องทุกข์ทรมานต้องเจออะไรที่มันเร่าร้อนอยู่เรื่อยๆนะอันนั้นก็เรียกมันนรกแต่ในที่นี้เนี่ยนะพอปรากฏว่าวังคีะสะเคาะศีรษะอันนี้แล้ว อ้าวคนนี้นี่มีที่ไปเป็นนรกแน่นอนซึ่งโดยธรรมดาทั่วไปแล้วเขาเรียกว่าสันตติคือมันมีการสืบเนื่องถ้าวันนี้สมมตินะให้ให้เราเข้าใจคําว่าสืบเนื่องถ้าวันเนี้ยเราเกลียดใครเราโกรธใครเราแค้นใครแล้ววันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้ล้างแค้นทิง้ง ฟังดีๆนะคือเรายังไม่ได้เอาความแค้นที่มีในใจเราเนี่ยลบมันทิ้งไปหรือว่าทําลายมันทิ้งไปเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยถามหน่อยว่าพรุ่งนี้ยังจะแค้นอยู่ไหมแค้นอยู่แน่นอนนี่คือการสืบต่อของสภาวะจิตนะเพราะนั้นโดยธรรมดาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเมื่อวานโกรธเกลียดใครแล้วยังไม่ได้ล้างความโกรธเกลียดทิ้ง พุ่งนี้ก็ยังโกรธเกียดอยู่เจอหน้ากันก็เหม็นหน้ากันเจอหน้ากันก็อยากจะดา่าเจอหน้ากันก็คว้างค้อนคว่างค้อนยังดีกว่าคว้างขวานนะถ้าคว้างขวานนี่หน้าแบะเลยแต่คว่างค้อนนี่ก็แค่อะไรหมันไส้ไม่อยากมองเห็นกันวันเนี้ยถ้าโดยปกติธรรมดานั่นเนี่ยลูกโซ่นเนี่ยถ้าใครเข้าใจได้นะ จะเข้าใจเรื่องอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตจะเข้าใจการสืบต่อนี้ยกเว้นบอกแล้วกรณีพิเศษอะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันมีจริงๆชีวิตคนเรามันมั น, ม, นมันไม่ได้ไม่ได้ตายตัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นพูุทธเจ้าถึงได้ตัดว่าเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยมันสลับซับซ้อนราะไม่ให้่หมายความว่าคนเราเนี่ย บางทีโอ้โหเราทําดีๆแล้วถ้าโดยทั่วไปต้องมีแต่คนชมทีถูกไหมถ้าทําดีถ้าถ้าโดยโดยโด ย, โดยคิดแบบแบบเหตุผลธรรมดาธรรมดาทําดีคนก็น่าจะชื่นชมแต่ถามหน่อยจริงๆว่าทาดีโดนดา่าได้ไหมอย่าว่าแต่โดนดา่าเลยโดนฆ่าตายยังได้เลยเพราะฉะนั้นมันวิบากกรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบว่าเรื่องของเอาแค่เหตุผลมาคิดนะมันลึกกว่านั้นมัน มันแบบว่ามันมีกรรมเก่าที่ที่ในอดีตชาติเนี่ยอีกต้องไม่รู้กี่ชาติที่เราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรไว้บ้างเพราะนั้นคนเราเนี่ยมักจะเห็นแต่แต่ชาติปัจจุบันเราไม่สามารถระลึกชาติอดีตได้เพราะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าไปทำอะไรไว้บ้างเพราะนั้นถ้าคิดแต่ปัจจุบันก็บอกเอ้ส่วนใหญ่เราทำดีใช่ไหม เอาสมมตินะเราเจอใครสักคนเจอทีไรเราก็ปฏิสันพานก่อนคือยกมือไหว้หรือไม่ก็ยิ้มให้น่าอาจจะยังไม่ต้องพูดก็ได้ยกมือไหว้อะพูดแค่เจริญธรรมนะหรือว่าทักทายสวัสดีเอายิ้มให้แต่ถามหน่อยเหรอเราทําอย่างนี้ให้เขาทําเนี้ให้เขาแล้วผลจริงๆเนี่ยจะต้อง ตอบแทนเราก็คือว่าเขาต้องยกมือไหว้แล้วเขาก็ต้องยิ้มให้เราเสมอไหมไม่อ่ะใช่ไหมเออมันไม่หรอกเพราะบางทีเราทำไปแล้วเขาไม่ทำกลับเลยก็ได้เออเพราะอันนั้นอันนั้นคือการคิดแบบเหตุผลใช่ไหมแต่ความจริงบางทีมันไม่ใช่เนี่ยแต่ที่แน่แน่ขน้นี้นะที่แน่ๆคือถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์จริง เราทำไปโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนเรายกมือไหว้เราทักทายเรายิ้มยิ้มให้เขาเราไม่หวังผลตอบแทนจากเขาเลยดูนะเขาอาจจะบึ้งใส่เรา อ, อาจจะสะบัดหน้าเลยพอเห็นเราทำปั๊บเขาสะบัดหน้าหนีไปที่อื่นเลยแต่ถ้าเราไม่หวังอะไรจากเขานี่ถามหน่อยจิตใจเราจะเสียไหม อจิตใจเราจะแบบว่าโกรธไม่เกลียดไหมรู้สึกไม่ชอบใจคนนั้นไหมก็ไม่สบายมากขอให้จริงเถอะเพราะจริงๆมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะนะอา้าวจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆใครไม่ฝึกจิตมาแล้วใครจับจิตไม่ได้เนี่ยบอกได้เลยรับรองไม่ต้องเกินสามครั้งหรอกบางคนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละ พอไปเจออย่างนี้แค่ครั้งเดียวแล้วเอาละขาวหน้ากูไม่ไวหวมึงอีกแลวนะขาวหน้าน่ะทันทีเลยมันขึ้นเลยทันทีเลยแต่ถ้าคนฝึกไว้เนี่ยมันจะจับทันแล้วจะรู้ว่าเออเ อ, อนี่ลา อ, าอีกละเราจะคิดแบบเหตุผลเพียงอย่างเดียวอีกละบอกแล้วว่าเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยมันมันลึกซึ้งกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเหตุผลนะคนที่เอาแต่คิดแค่เหตุผลตื้นตื้ น, นแค่ไอ้ที่ตามองเห็นแค่ชั้นเดียวเนี่ย คือชาตินี้เท่านั้นนี่นี่เขาเรียกว่าชั้นเดียวคือมองเห็นแต่ปัจจุบันที่ตาตัวเองเห็นแต่เรื่องมันลึกกว่านั้นมันไอ้ที่ตาตัวเองไม่เห็นแล้วก็ที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถระลึกชาติไปได้นี่โอ้โหมันกี่สิบชาติกี่ร้อยชาติล่ะที่เราไม่รู้ว่าไปทํากรรมอะไรไว้บ้างพอท่านมันรวมมาหมดมันสามารถที่จะมาลงแล้วก็เขาเรียกว่ามาสรุปผล ให้ออกมาเป็นอย่างนั้นให้ออกมาเป็นอย่างนี้โดยที่เรานี่ไม่มีสิทธิ์คํานวณเลยยากยากที่จะคํานวณต้องเป็นระดับผู้ที่มียานยานคือความรู้แจ้งเห็นจริงนะถึงขั้นและถึงจะแบบว่าอย่างพระอาหารหันต์อย่างพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยพรุทธเจ้าถึงบอกว่าคุณพิเศษแบบเนี้ยจะมีได้ก็ระดับระดับพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้า ที่จะมียานอย่างรู้ได้ถึงแบบอย่างนั้นนะเรารู้จริงๆด้วยไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดไ ม, ไดมาโกหกไม่ได้มาหลอกลวงอะไรใครแล้วก็บอกว่าวิบากกรรมถึงเป็นอจินไตคือคาว่าอาจินไตไม่รู้เข้าใจไหมอ่ะคือเป็นเรื่องที่ยากที่จะไปคาดเดาไปคำนวณ น, นะคือคื อ, ค, อคือมันไม่สามารถที่จะมาคาดเดาคำนวณเอาง่ายๆเพราะนั้นบางทีเนี่ย อย่าไปซีซัวพูดเลยนะถ้าไม่รู้จริงอดมาเขาที่แล้วถึงจะบอกหมอดูคนไหนอ่ะที่ชอบไปเราเราไปให้ชอบให้เขาทายลายมือบ้างทายอะไรอ่ะไพ่บังแล้วก็มีอะไรอีกสมัยก่อนงานวัดอดมาเคยไปเขามีเลี้ยงลูกเกียร์ป่ะเห็นปะ่ะเปิดกงแล้วให้ออกมาจิก <c oughs> จิกไพ่จิกอะไรออกมาแล้วก็เอาใบนะัมาทายให้เรา ไม่รู้พวกนี้เคยเห็นมาเดี๋ยวนี้อาจะมารู้สึกมันคงไม่ค่อยมีแล้วนะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนโอ้ยงานวัดนี่มีเลยนะเขาจะเลี้ยงลูกเก็บใานะตั้งไว้บนโต๊ะเลยนะเป็นกรงกรงเออแล้วมันก็ไม่เขามีเม็ดข้าวล่อมันด้วย <c oughs> เออแล้วเขาก็เลี้ยงกับฝึกบันอะไรมันนะเสร็จแล้วเขาก็เอาไพ่เนี่ยกลางนะเสร็จแล้วก็เปิดกรงให้มันออกมาจิกจิกใบหนึงแล้วก็นะ่นะเป็นคำทายของเราเออ นเนี่ยพวกเก่าเก่าแก่แกที่ใครเคยเจอบ้างไหม อ, อ๋อในที่นี้มีอยู่คนเยิงเหรอที่เคยเห็นเคยเจอเออน่ะสองลายโอ้ยสมัยก่อนนะ่ะมาไปเที่ยว ง, งานวัดจะเจอบ่อยอันนี้พูดให้ฟังใ ห, ให้ให้พวกเราเนี่ยเข้าใจเรื่องวิบากกรรมให้ชัดเจนให้มากขึ้นนะโดยเฉพาะบอกแล้วจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปรู้ก็ได้ ไม่ต้องไปรอหมอดูหมอเดาอะไรมาบอกเราหรอกเราเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปรู้อนาคตก็ได้ว่ามันเป็นยังไงเราทำปัจจุบันของเราเนี่ยให้มันดีแค่นียจบแล้วแล้วบอกแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปหวังเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเราทำดีในวันนี้เราสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยดีเนี่ยจะตอบสนองเราแน่นอนไม่มีเบี้ยวไม่มีบิดเบือนไม่มีที่เรียกว่าจะทําแล้ว จะไม่ได้ไม่มีได้แน่นอนเพียงแต่คนเราเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยนะชอบรอว่าผลเมื่อไหร่จะตามมาแต่พอเวลาทำบาปนี่นะแกล้งลืมลืมพยายามไม่นึกถึงพยายามไม่นึกถึงกลัวเหมือนกันนะบางคนเนี่ยศึกษามามีความรู้มากลัวเหมือนกันนะยกตัวอย่างง่ายๆคุณเคยไป แก้งใครคุณเคยไปด่าใครเข้าไว้ทําให้เขาไม่ชอบใจอะไรไว้นะคุณก็กลัวเหมือนกันนะว่าเออเอ็เอเอนดีมันจะมาหววมาเล่นงานเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรใช่ไออใจเรื่องจริงๆอ่ะจะมีพวกนี้อยู่แต่ไม่อยากคิดถึงเลยไม่อยากนึกถึงไม่อยากเจอด้วยแต่พอบุญที่เราทํำกับใครเนี่ยนะชอบนึกอยู่เรื่อยโห้เมื่อวานอุตสาเอาเข้าวมาให้กิน นะเอาของอร่อยมาให้คนนี้กินดูสิที่ที่เราเนี่ยไม่เห็นเอาอะไรมาให้เรามั่งเลยคือมันจะคิดอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆมันถึงบอกถ้าตัดตรงนี้ไปได้เนี่ยใจคนนั้นจะสบายขึ้นเยอะเลยแล้วมันมันบอกว่าจิตเนี่ยไม่ไปอยู่กับอนาคตมาก